ประวัติหลวงู ด, ดุลอัตุโลมวนที่สองหน้าที่หนึ่งครับ เรวนจะถึงการเข้าปุริมาพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการทุดงของท่านคณะของหลวงปู่ดุลจินพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปทางอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิงหครั้นถึงป่าท่าคันโท ก็สมมติทำเป็นสมณวัดปาเข้าพรรษาด้วยกันห้ารูปคือท่านพระอาจารย์สิงขันทยาขโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์สีพาท่านพระอาจารย์หนูและท่านพระอาจารย์บุญอตุโลคือตัวหลวงปู่เองทุกท่านทุกองปฏิมาคมปรารบความเพียร ยังอุกฤษแรงกลาง้าปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของท่านประมาจันเพียนสุดขีดครั้งนั้นบริเวณแห่งนั้นเป็นสถานที่ธุรกันดาลเตือนกลัได้วยสัตว์ป่าที่ดุร้ายไข่ป่าก็ชุกชุมมากยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นยังไม่ทันถึงครึ่งพําสา ก็ปรากฏว่าอ า, าพาธป็นไข้ป่ากันหมดยกเว้นท่านอาจารย์หมูองเยียวต่างก็ได้ช่วยกันรับใช้พยาบาลกันไปตามมีตามเจิดยูกยาที่จะนำมาเยียวยารักษากันก็ไม่มีความป่วยไข้เราก็ไม่ยอมลดละเห็นใจหน้ากันบ้างเลยจนกระทั่นองค์หนึ่งถึงแก่มรณะภาพลงในกลางภรรษานั่นเอง มรณะภาพลงต่อหน้าต่อตาเพื่อสหธรรมิกอย่างน่าเวทนาไม่อาจจะช่วยเหลือกันอย่างไรประการใดได้เลยครับหยุกยานั้นอย่าได้ถามหากันเลยสำหรับหลุงปูดดุลอัตุโลนั้นครั้นได้สำเนีกรู้ว่ามรุตยูกำลังคุกคามอย่างแรง อีกทั้งหยุดยาที่จะนำมารักษาปยาบาลก็ไม่มีจึงตัดเตือนตนว่าถึงอย่างไรตัวเราจะไม่พ้นเงียมมือของความตายในภรรษานี้เป็นแน่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้นเราจะตายก็จงตายในสมาธิภาวนาเถอะนี่ ท่านตั้งความปรารถนาไว้อย่างแรงกล้าอุกฤษเพียงนี้ท่านจึงประรบความเพียรต่อไปอย่าเอาเป็นเอาตายสั้างสติให้สมบูรณ์พยายามดำรงจิตให้อยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงทุกอิริยาบถพร้อมทั้งพิจารณาความตายคือมีมรณานุสสติกรมฐานเป็นอารมณ์ไปด้วย โดยไม่ยอดท้อพรั่นพริ้นต่อมรณะภัยที่กำลังคุกคามจะมาถึงตัวในไม่ช้านี้เลยเริ่มปรากฏผลจากการปฏิบัติณป่าถ้าคันโทจังหวัดกาลสินนี้เอง การปฏิบัติทางจิตที่หลวงปู่ดุลท่านเด็ดขาดเพียรบำเพ็ญอยู่ยังไม่ลดละก็ได้บังเกิดผลอย่างเต็มภาคภูมิกล่าวคือขณะที่นั่งภาวนาอยู่ตั้งแต่ว่าข้ามจนดึกมากนั้นจิตก็ค่อยๆอย่างลงสู่ความสงบจะให้บังเกดิดนิดแปลกกว่าผู้อื่นขึ้นมา คือเห็นพระพุทธรูปปรากฏขึ้นที่ตัวของท่านเพราะนึ่งว่าตัวของท่านเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ท่านพยายามพิจารณาดูรูปนิมิตต่อไปอีกแม้ขณะที่ออกจากที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วและขณะออกเดินไปสู่ละแวกบานป่าเพื่อบินทบาตก็เห็นปรากฏอยู่เช่นนั้น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 ออกจากกันได้รู้ชัดว่าอะไรคือจิตอะไรคือกิเลสจิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิตและเข้าใจสภาพเดิมของจิตที่แท้จริงได้จนรู้ว่ากิเลสส่วนไหนละได้แล้วส่วนไหนยังรับไม่ได้ดังนี้ การปฏิบัติได้ผลเป็นประการใดในครั้งนั้นท่านไม่ได้บอกเล่าใครในพรรษนานั้นเคยเล่าให้ท่านอาจารย์สิงทราบแต่เพียงว่าจิตของท่านเป็นสมาธิเท่านั้นเมือ่อท่านอาจารย์อัตถิท่านอาจารย์สิงก็ชมว่าถูกทางแล้วและแสดงความยินดีด้วยทัวท่านนึกอยากให้ออกพรรษาโดยเร็ว จะได้ไปนมัสการพระอาจารย์มัน่นจะกราบเรืยนถึงผลการปฏิบัติทั้งรับคำแนะนำทางปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคำสรรเสริญครั้งแรกจากพระอาจารย์มัน่น พร้อออกพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันออกจากที่นะันเดินทุดงต่อไปลวงปูดุลไปด้วยกันกับท่านอาจารย์สิงห์ต่อมาก็แยกทางกับท่านอาจารย์สิงห์คืไปคนละทางกันแต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันจุดมุ่งหมายมนั้นอยู่ที่ จะไปนมัตรการพระอาจารย์มั่นเมื่อรลวงปูดุลเดินทางไปถึงหนองหานจังหวัดสกลนครก็ได้ไปพักอยู่ที่ตกะเกบสถานที่นี้กล่าวกันว่าเป็นที่ขลังและมีอาถรรพ์มากไม่เคยมีชาบ้านไหนกล้าเข้าไปแต่ท่านกลับเห็นดี เพื่อจะได้อยู่สบายเพราะเมื่อคนไม่กล้าเข้าไปก็ยิ่งเป็นที่สงัดเงียบไม่มีใครเข้าไปรบกวนท่านจึงเข้าไปอยู่ที่นั่นพ้ออยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเป็นลำบับจนกระทั่งนถึงบ้านตามเดินมีชาวบ้านบอกว่าเห็นพระธุดงอยู่ในป่าใกล้บ้านนี้เอง ท่านแสดงความดีใจเป็นอันมากคิดว่าอย่างไรเีอะก็ต้องเป็นพระอาจารย์มั่นอย่างแน่นอนเมื่อไปถึงสถานที่นั้นก็เห็นท่านอาจารย์สิงห์ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนนานแล้วและเห็นพระองค์อื่นอืกนีกหลายองค์กำลังนั่งห้อมร้อมท่านพระอาจารย์มั่นอยู่อย่างสงบ พากันหันหน้ามามองท่านและพูดกันเบาๆว่าเนี่ยท่านดุลมาแล้วท่านดุลมาแล้วคาดว่าท่านอาจารย์สิงคงจะบอกเล่าไว้ก่อนแล้วว่าลุงปู่ดุลทำจิตเป็นสมาธิได้ก็มุกท่านอาจารย์มั่นปุริะะทัตเตระท่านพระอาจาร ย, าย์ใหญ่ นั่งอยู่เช่นนั้นหลวงปู่ดุลได้เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเข้าหลวงปู่ก็เกิดความปรากรื่นจิตจิตรำพึงในใจว่าประสงค์อย่างไรก็สําเร็จอย่างนั้นครั้นได้โอกาสอันควรแล้วจึงเข้าไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นพระประมาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษได้ถามถึงการปฏิบัติของท่าน ลงวงปูดุลท่านถึงกราบเรียนถึงผลการปฏิบัติโดยตลอดแล้วก็สรุปให้กราบเรียนพระอาจารย์มั่นเทียมได้ราบว่าเดี๋ยวนี้กระผมเข้าใจแล้วกระผมทำความรู้จักกับกิเลส ข, ของกระผมได้ดีแล้วคือถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งนั้น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 และการปฏิบัติที่ผ่านมาที่บอกเล่านั้นก็เป็นการถูกต้องดีแล้วและแล้วท่านพระปรมจารย์ก็ได้แนะนำต่อไปว่าให้เอาข้อนี้ไปพิจารณาต่อไปอีกโดยบอกเป็นภาษาบาลีว่าสเพสังขารา สัพสัญญาอนัตตาท่านบอกงนี้หลังจากหลวงปู่ ด, ดุลได้รับคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่ท่านก็เด็ปลีกตัวไปบำเพ็ญทางจิตพร้อมทั้งพิจารณาคติธรรมที่ได้มาในที่สุดก็ได้รู้แจ้งในธรรม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 ครั้นจำพรรษาอยู่ได้ไม่นานสมณีที่ติดตามไปด้วยก็เกิดเป็นไข้ป่าอย่างแรงสุดกำลังที่จะเยียวยารักษาให้หายได้ในที่สุดสมณีก็ถึงการกิริยาลงต่อหน้าต่อตาท่านผูกองค์หนึ่งยังหน้าเวทนาเพ่งเรา่า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 จนเข้าใจได้ดีแต่ไม่เห็นสมควรที่จะบรรทุกไว้ณที่นี้เมื่อชาวบ้านเห็นว่าท่านจำบัญสาอยู่เพียงองค์เดียวเพราะเมื่อก่อนอยู่กับสมณเณรก็เกิดความสงเวทใจจึงได้รัตนาท่านให้ไปอยู่ที่วัดม่วงไข่บ้านกุดกล่อมซึ่งมีสมณเณรอยู่หลายองค์มีครูบา ยาคูดีเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้มี อ, อัตฉยาสายดีสมชื่อรุปปู่ท่านได้เข้าไปพมากก่าจำบรรษาอยู่แต่รูปเดีอวในโบสถ์กระทำตามแบบฉบับของพระพุทธองค์ทุกอย่างอย่างเคร่งครัดเช่นเดินบินสมาธ ท, ทุกวันฉันในบาท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 ท่านก็ชี้แจงข้อธรรมะประแนวทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมีอัดลึกซึงรัด ก, กุมแปลกไปกว่าที่ที่สู่สร ม, มเนรเรานั้นจะได้ยินได้ฟังมาจากไหนไหนดังนั้นพระทุกรูปรวมทั้งสมณ น, นด้วยต่างก็ปฏิญาณตนปฏิบัติตนตามแบบของท่านจนหมด ในบรรดาพิสุสมณเณรที่หันกลับมาดำเนินปฏิปตาแบบกุ้ดงกรรมฐานของท่านนี้มีสมณเณรองคหนึ่งชื่อสมณเณรอ่อนมีวิริยะอุสาหะแรงกล้าในธรรมปฏิบัติได้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อมาจนเป็นพระหมหาเถระชี้ก้อง มีผู้เคารพนับถือทั่วประเทศสมณย อ, อ่อนผู้มีวิริยะอุสาหะแรงกล้าในธรรมปฏิบัตินั้นก็คือท่านพระอาจารย์อ่อนญาณสิรินั่นเองในระหว่าง น, นั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรผู้มีประวัติอังนงาม มีชื่อเสียงโด่งดังทางกรรมฐานในปัจจุบันนี้ในสมัยนั้นยังเป็นพระพิสุฟังธรัามะอยู่ที่วัดใกล้เคียงกันนั้นได้ทราบข่าวได้ทราบข่าวคราวการพลิกแผ่นดินของวัดม่วงไข่ก็เกิดความตื่นเต้นสนใจสู่โดนทางมาศึกษา และประพฤติปฏิมากรมฐ า, านกับหลวงปู่ดุลเป็นประจำอย่างขยันขันแ ข, งข็งตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ณที่นั้นครั้นออกพรรษาแล้วในเวลาที่หลวงปู่ดุลจะออกทุดงร่อนเร่ไปตามป่าเขารลเมาพปลายอีกแล้วมหาจารันใหญ่หลวงก็ได้บังเกิดขึ้น ก่อสายตาชาวบ้านม่วงไข่ทั้งหลายกล่าวคือเมื่อลุงปู่ออกธุดงต่อไปปรากฏว่าพิชูสัมมเนินทุกรูปในวัดม่วงไขไม่เว้นกระทั่งเจ้าอาวาสได้พากันสละระหินวัดออกธุดงติดตามท่านไปจนหมดสิ่ง โดยไม่สนใจนำพาคำอ้อนวอนทัดทานของผู้ใดรวมทั้งพระพิสุฟั่นอาจารโก็ติดตามรุงปู่ดุลไปด้วยเช่นเดียวกันทุกรูปยอมสละดละทิ้วัดปล่อยให้วัดเป็นวัดร้างไปไม่มีใครยอมอยู่ผูกพันดูแล พากานย่างเข้าสู่ความเป็นอนาคาริกที่แท้จริงเพื่อมุ่งหาความดับทุกแห่งตนยังไม่อะไรอววรตดสิ่งหนึ่งประการใดเลยหลวงปูดุลท่านเล่าว่าท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรนั้นทำกรรมฐานได้ผลดีมากและเอาจริงเอาจัง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 ในอนาคตอย่างแน่นอนหรวงปู่ดุลท่านจึงตั้งใจว่าจะพาท่านอาจารย์ฟั่นไปพบแรมมอบถวายต่อท่านพระอาจารย์มั่นผู้พ ร, รมาจารย์ให้ได้ในโอกาสต่อไปอีกข้อนึงที่ผู้เรียบเรียงเคยได้ยินเลขกวางมานีอยู่ว่าเมื่อหลวงปู่ดุล มาพมัาประจาอยู่ที่จังหวัดตุรินแล้วท่านอาจารย์ฟั้นได้เดินทุดงติดตามมารับคำแนะนำทางปฏิบัติกับหลวงปู่ดุลเป็นครั้งคราวโดยเดินทุดงมาทางเทือกเขาดงรักแล้วเข้ามาพม่าที่ป่าเล็กๆชานเมืองสุรินเมื่อได้โอกาสอันควร ก็จะเข้าไปในมสัสการหลวงปู่ดุลณวัดบูรพารามบริเวณป่าที่ท่านอาจารย์ฟั้นได้มาพำนักอยู่นั้นต่อมาได้กลายเป็นวิทยาลัยกเษกษตรกรรมทุรินแต่คงจะด้วยเดชะบารมีสุปฏิบัติของท่านอาจารย์ฟั้นอาจารโรสถานที่พักของท่าน จึงได้รับการยกย่องขึ้นมาเป็นสมัชรงฝ่ายอรั ญ, ญวาสีมีชื่อวาวัตปาโยธาประสิทธิ์ทางการที่อยู่ในบริเวณรั้วของวิทยาลัยเกษตรกรรมนั่นเองน่าอัศจรรย์นัก อริยศัตว์แห่งชีวิตย้อนกลับมาถึงการเดินธุดงค์ของหลวงปู่ ด, ดุลต่อไปการออกธุดงค์คราวนี้ก็มีท่านอาจารย์ฟันอาจารย์โรและพระเนมวัดม่วงไท่ติดตามไปทั้งหมดท่านเดินทางไปตามลำดับ พักอยู่แห่งละห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นเวลานานตลอดฤดูแรงนั้นตางองค์ตานก็กราบรความเพียรอย่างจริงจังและได้รับผลการปฏิบัติทุกรูป สำหรับรลวงูดุล น, นั้นท่านเล่าว่าท่านได้ปริกรองพิจารณาตามหัวข้อกรรมาฐานว่าสัพเพสังขาราสัพสัญญาอนัตตาที่พระอาจารย์มั่นท่านได้ให้มานั้นในเวลาต่อมาก็าเกิดความสว่างสวัยขึ้นในใจแจ่มชัดว่า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 เพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทยัยสองผลอันเกิดจากจิตที่ท่งออกนอกแล้วหวั่นไหว็นทุกข์สามจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้ ง, งเป็นมักสี่ผลอันเกิดจากจิต เห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพระท่านเล่าว่าเมื่อทำความเข้าใจในอริยสัจทั้งสี่ได้ดังนี้แล้วก็ได้พิจารณาทำความเข้าใจในปฏิจจสมุ ป, ปบาทได้ตลอดทั้งสายข้อธรรมของหรวงปูดุลท่านในตอนนี้ ผู้เขียนจนดวยกล่าวไม่อาจเขียนตามท่านให้ถูกต้องได้เพราะเป็นการเฉพาะตัวของท่านนักปฏิบัติธรรมผู้มีความสนใจจะได้รับทราบในขั้นต่อไปคำสเสริครั้นที่สอง และรางวัลเกียรติยศจากพระอาจารย์มัน่นหลิงปูดุนนั้นท่้นท่านอยู่ที่อาถธรรมพระเวทได้พอสมควรแล้วก็พากันยกขบวนจาริกไปส่อหาพระอาจารย์มัน่นจนกระทั่งไปพบกันที่วัดป่านโนนสูง หลวงปูป่ดุลจึงกราบเรียนท่านประมาจา์ถึงผลการปฏิบัติธรรมของท่านตามที่ปรากฏท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวรับรองและยกย่องสันเสริญให้ปรากฏณท่ามกลางชุมนุมสานุสิตทั้งหลายว่าถูกต้องดีแล้วเอาตัวรอดได้แล้วนับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้ว ขอให้ดำเนินตามปฏิปทานี้ต่อไปหลังจากนั้นหลวงปู่ดุลได้นำอาจารย์ฟันอาจารย์โรและคณะพิสุจน์สมณ น, นวัดม่วงคลยที่ติดตามท่านมาถาวายตัวตอบระอาจารย์มั่นท่านประมาจารย์จึงได้กล่าวยกย่องสันเสริมกระทำให้ปรากฏตอ่อติดทั้งหลายว่า ท่านดุญเป็นผู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งสามารถมีสานุสิ์และผู้ศิตตา ม, มาประพฤติปฏิมิธรรมเป็นจนํานวนมากในระหว่างที่พักอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลานานนั้นท่านพระอาจารย์มั่นผู้ทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่และกรุณาตรัส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 ลุงปู่ได้ไปจำพรรษาที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายขณะนั้นท่านอา จ, จารย์อ่อนญาณทิริยังเป็นสมณะเนรอยู่ได้ติดตามมาอยู่จำพรรษากับลุงปู่ด้วยในพรรานั้นมีอุบาสกอุบาสิการะพิษุสมณะเนรวัดใกล้เคียงพากันแตกตื่นมาฟังพระธรรมเทศนาของท่าน จะมาบำเพ็ญภาวานาเป็นจำนวนมากมายท่านกล่าวว่าจนเกิดท่งไม่มีที่นั่งและแท่ทุกคนก็ได้ผลทางปฏิบัติสาธุสณิ์ทธิเป็นกรุหัสบางท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ังที่เคารพครับอันนี้เป็นประวัติเอาหมดเวลาพอดีนรฬิกาก็เลยติๆๆๆ๊ติ๊ตประิ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ิติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ตติติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ตา๊ติ๊ติ๊ติ๊ติ๊ติิิ